ได้ยินไเธอเคยเข้าใจกตาทุกครั้งปวดร้าวเธอยอมรับ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 我爱你。 ได้ให้เธออดทนมาวันนี้จะให้เธอ